ทำทั้งหลายย่อมไม่ไหลไปสู่ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมไม่ขัดแย้งกันเลยสอดคล้องกันไปหมดเวลานั่งสมาธิเราจะเกิดสภาวะเห็นเช่นนี้และเริ่มเข้าถึงสภาวะที่ว่าปฏิบัติไม่อาอะไรซึ่งตรงกับที่พระอาจารย์กล่าวว่าไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายทําใจเป็นกลางถูกต้องหรือไม่และต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปค่ะ ล, ลองอ่านซ้นะํานะจะยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเวลาจับใจความยังไม่ค่อยได้ ทำทั้งหลายย่อมไหลไปสู่ธรรมไม่ขัดแย้งกันเลยสอดคล้องกันไปหมดเวลาที่นั่งสมาธิแล้วจะเกิดสภาวะเช่นนี้และเริ่มเข้าถึงสภาวะที่ว่าปฏิบัติไม่เอาอะไรซึ่งตรงกับที่พระอาจารย์กล่าวไว้ว่าไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายทำใจให้เป็นกลางปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ่ะถูกต้องถูกต้องนะไปเรื่อยๆได้นะถูกจโทังม่ยึดอะไรจริงๆ สุดท้ายตัวที่มันจะปล่อยคือตัวจิตตัวจิตโอ้ใครปล่อยวางจิตได้ทิ้งจิตได้จะพบความอัศจรรย์เลยจิตที่เราหลงยึดว่าเป็นเรามีเราอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยพอถึงเวลาจริงๆมันจะเป็นธรรมชาติลุ่นๆเลยความเป็นเราจะดับหมดแนวทางที่ว่าฝึกนั้นถูกต้องถูกต้อง ไปเรื่อยๆได้ไม่ติดอยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งเพราะยังมีเราอยู่มีเราแทรกอยู่มีเราแทรกอยู่มันต้องไม่มีเราเลยว่างหมดเลยจิตก็ว่างเหมือนไม่มีจิตอ่ะมีจิตอยู่แต่ว่ามันสักแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเราจะเรียกมันว่าจิตก็ได้ไม่เรียกว่าจิตก็ได้ คือมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วมันก็จะถึงที่สุดของธรรมะคือไม่มีอะไรอย่างแท้จริงตอนนี้ใช้คำว่าไม่มีอะไรสอนตัวเองไปเรื่อยๆได้